พระภิกษุครูบาอาจารย์ที่เคยได้รับอุบายคำสอนจากหลวงตามีเป็นจำนวนมากขอนำคติธรรมของครูบาอาจารย์มาแสดงเพียงบางท่านดังนี้ท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโร สิบสองกรกฎาคม2467ถึง27เมษายน2523ท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรเคยอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือ หลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพท่านได้ติดตามหลวงตาไปในที่ต่างๆตลอดมาเช่นบ้านห้วยสายจันทบรุรีและวัดป่าบ้านตาตามลำดับต่อมาท่านจึงย้ายไปอยู่วัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและ อยู่ที่นั่นจวบจนวาระสุดท้ายหลวงตาเคยกล่าวยกย่องว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผ้าที่ริ้วห่อทองและเราเสียดายท่านสิงห์ทองถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนา ได้อย่างมากทีเดียวธรรมะของท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรการชำระใจการพิจารณาธรรม พิจารณาไปพิจารณาไปจนใจรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของธรรมก็หมดทางที่จะรักษาหมดทางที่จะแก้ไขเหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึกถึงเราจะเขียนต่อไปก็เขียนได้แต่ถ้าว่าหมึกไม่มีมันไม่ติดกระดาษมันเป็นอย่างนั้น ความคิดความปรุงของท่านที่เสร็จกิจทางศาสนาก็ทํานองเดียวกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปาทานสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดาไม่มีอุปาทานเข้าไปยึด เหมือนไม่มีมึกเพราะทราบตามเป็นจริงของมันสิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันอยู่ก็ต้องใช้มันไปแต่จะหลงไหล ย, ยึดถือนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัย อาจารย์สิงห์ทองมรณภาพวันที่27เมษายน2523 เจ้าก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านศรัทธาในกรรมฐานมาแต่ครั้งเป็นครวาดแล้วก่อนบวชเคยมีลูกมีครอบครัวต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงจึงเกิดความสลดสังเวช จากนั้นไม่นานก็ออกบวชและมาอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นที่บ้านหน้องผือเมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพลงท่านจึงมาอยู่กับหลวงตาที่บ้านห้วยสายหลายปีต่อมาท่านจึงตั้งวัดภูเจ้าก่อขึ้นและอยู่ที่นั่นตลอดมาท่านมรณภาพวันที่19เกมกราคม สองพันห้าร้อยสามสิบก้าอนัตตาฝ่ายบาป เป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้นอนาตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญทําให้เกิดให้มีเมื่อสุดท้ายอนาตตาบุญก็ดีอนาตตาบาปก็ดีก็ทรงคืนหมดไม่เข้าไปยึดถือสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลผลบุญพระอนาคามียังจัดเป็นกุศลผลบุญอยู่เพราะติดอยู่ในบุญ ยังข้ามบุญไม่ได้เพราะบุญยังไม่เต็มส่วนพระอระหันนั้นบุญเต็มแล้วบาปก็พอแล้วเว้นพอแล้วเหตุฉนั้นเหตุที่จะละบาปจึงไม่มีในท่านเหตุที่จะละบุญจึงไม่มีในท่านเหตุที่จะสร้างบุญจึงไม่มีในท่านเหตุจะละบาปก็ไม่มีในท่าน ธรรมะของหลวงปู่ล่าเคมะปตโต หลวงปูรหลีกุสลทโรวัดภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธา น, หา น, น, นีหลวงปูรหลีท่านบวชในวันประชุมเพลิงศพหลวงปู่มั่นจากนั้นติดสอยห้อยตามหลวงตาตลอดมาแม้หลวงตาจะหนีออกวิเวกไปทางไหน หรือจะดุจะว่าจะไล่ให้หนีไปอย่างไรหลวงปู่หลีก็อดทนติดตามไปทุกหนทุกแห่งไม่เลิกไม่ราไม่ท้อถอยหวังให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนให้สุดท้ายหลวงตาก็ยอมรับเป็นสิทธิหลวงปู่หลีเคยจำพรรษากับท่านที่บ้านห้วยสายที่จันทบุรี และวัดป่าบ้านตาท่านมีอุปนิสัยพูดแต่น้อยรักการอยู่ป่าตลอดมาไม่ติดสถานที่แต่เมื่อท่านมีอายุมากเข้าประจวบกับพระเนนขอศึกษากับท่านมากขึ้นท่านจึงยอมอยู่เป็นที่เป็นฐานแน่นอน มะของหลวงปูรีคุสละทะโรบ่ทันนานขั้นจิตเป็นปัจจุบันอยู่หัน่นบบเห็นหนึ่งต้องเห็นแนวหนึ่งละมันสิเกิดเฮ็ดให้มันเป็นปัจจุบันอดีตที่ล่วงมาแล้วก็อย่าไปคำลึงเลย มันก็ออกไปจากปัจจุบันนั่นล่ละอนาคตคือกันมันออกไปจากปัจจุบันนี่หละอย่าไปคำนึงมันเลยคุมมันเข้าเบิงให้เบิงหัวใจเจ้าของนั่นล่ละอย่าไปเบิงหัวใจผู้อื่นขั้นคุมเจ้าของแท้ๆต้องเห็นขั้นพิจารณาสภาพร่างกายก็พิจารณาอยู่หัน แต่พื้นเท้ามาสีสัตว์แต่ศีสัตว์ลงมาพื้นเท้าให้พิจารณาอยู่หันรอบอยู่หันเอาแม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่บอกให้มันปากมาเลยต้องเกิดแน่อันนี้หัวใจมันแลนอยู่นำโลกนำสงสารพุ่นมันบ่ปากมั่นแล้วสิเห็นอย่างหันคือกินข้าวเนี่ย กินนอนอยู่ย้ายไปนั่นนอนอยู่ก็ไปหั่นนอนก็ไปนี่เลยเบ่อิ่มจักทีนี่เรื่องมันเอาพิจารณามันสิขั้นคุ้มเข้าแทๆ้ๆมันสิต้องจับได้เงื่อนเดี๋ยวมันสิเกิดอันนั้นเกิดอันนี้โลดนี่เฮ็ดจริงทำจริงมันต้องรู้จริงไอ้พิจารณาโตนี่ละ โตสำคัญถ้าหากว่าได้จับจุดได้ละเออมันสิออกอุทานบักทีนี้อา น, นิจังทุกขังอนัตตาอริยสัตว์ทางนั้นขั้นตีแตกอริยสัตว์นี่ได้แล้วห่วยกราบพระพุทธเจ้ากราบครูบาอาจารย์โอ้ยมันก็กราบอยู่จังสั้นละหมดคืนละนี่ เพื่อนเว่าจริงเ็ดจริงมันสิประมวลมาหมดดอกอันพระพุทธเจ้าเพื่อนเห็นนะมันสิมาเกิดจากใจเฮานี่แหละให้พากันเร่งความภาคความเพียรธรรมะของหลวงปุรีกุสลทโร ปูคำตันทิตะธรรมโมวัดป่าด่านสีสําราญออรอนอําเภอพรเจริญจังหวัดหนองคายหลวงปูคำตันก่อนบวชท่านเป็นตาพระขาวปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วเกิดผลดีหลวงตาทิมเมตตาจัดหาบริขารบวชให้จนครบและ ให้บวชที่มุกดาหารและมาอยู่กับหลวงตาในช่วงที่อยู่บ้านห้วยสายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านมรณภาพปีพุทธศักราช2540หมดแนวนี้หมด หมดเฮานี้โลกอันนี้มีแต่เรื่องสมมุติทั้งนั้นแหละสู้พุทโธไม่ได้ดอกเฮาเฮ็ดแนวใดก็สู้อันนี้บ่ได้ดอกในโลกนี้ธรรมะของหลวงปู่คำตันทิตธรรมโม จานวันชัยวิจิตโตวัดป่าสังคารามบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีถ้าเป็นน้ำก็แวกลงไป แวกจอกแวกแหนลงไปเห็นแล้วน้ำใสสะอาดซ่อนอยู่หลังความหมายมั่นสำคัญผิดนี่เองแวกความสำคัญทั้งหลายออกออกให้หมดทำทุกประเภทอนิจจังก็แล้วทุกขังก็แล้วอนัตตก็แล้วแวกออกแวกออกจนไม่มีอะไรจะแวกถึงน้ำใสบริสุทธ ถึงจิตดั่งเดิมตัวจริงของจิตเป็นแบบนี้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยเจือปนใสแท้เห็นธรรมบรรลุธรรมเห็นกายก็จริงเห็นเวทนาก็จริงเห็นจิตจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดฝึกแล้วฝึกเล่าภาวนาแล้วภาวนาเล่าทุกแล้วทุกเล่า พยายามแหวกสิ่งที่คนทั้งหลายเขาละเลยท่านเห็นอะไรท่านก็พินิษพิจารณาเป็นธรรมได้ยินอะไรท่านก็พินิษพิจารณาเป็นธรรมได้กลิ่นดิมรสได้สัมผัสอะไรก็พินิษพิจารณาอยู่อย่างนั้นถึงเอียงซ้ายเอียงขวามันก็ไม่เอียงต้องปรับให้มันตรงอยู่เรื่อย ตรงความจริงอยู่เรื่อยในที่สุดก็แหวกออกหมดเหลือแต่ความจริงของจิตทางภาคปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปเหมือนกับจะไม่เห็นฝั่งเห็นฝาอะไรเลยเหมือนกับไม่มีวันถึงไหนถึงต้องถึงนัดปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยยังไงมันก็ต้องถึงเหมือนกับมืดสนิท จะไม่มีวันสว่างเลยเหมือนกับโง่ดักดานจนไม่มีวันรู้เลยไม่ใช่มันค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากการประพฤติปฏิบัติของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดจากชั่วเปลี่ยนไปดีจากมืดเปลี่ยนไปสว่างไปเรื่อยจากขุนมัว เปลี่ยนเป็นผ่องใสไปผ่องใสไปจากกิเลตก็เปลี่ยนเป็นธรรมขึ้นมาธรรมะของท่านอาจารย์วันชัยวิจิตโตท่านอาจารย์วันชัยวิจิตโต อดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่นแและจปรรุ่น19ท่านได้ทำงานราชการทหารอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นจึงออกบวชได้พบกับหลวงตาครั้งแรกที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นฝั่งทนบุรีกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับคำแนะนำจากหลวงตาว่า ไม่ควรอยู่เร่ๆร่อนๆควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์จากนั้นไม่นานท่านจึงเดินทางไปอุดรธานีเพื่อขออยู่ศึกษากับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด ให้กำลังใจแก่สิทธิ์พระเนนและคราวาดในคราวที่เกิดความทุกข์ความลำบากท้อแท้ใจในการปฏิบัติธรรมว่ายากลำบากไม่ใช่อะไรพาให้ยากนะถ้าว่าจะสร้างความดีนี้มันหากมีเครื่องขัดเครื่องข้องขึ้นภายในใจนั่นแหละคือกิเลสมันกีดมันขวางเรา ไม่ใช่ทำกีดขวางไม่ให้ทำขึ้นชื่อความดีแล้วมันไม่อยากให้ทำนั่นคือกิเลสมันขวางไว้ขวางไว้ถ้าเราได้ทำตามใจของเราแล้วฝืนมันทำแล้วต่อไปมันไม่ได้ฝืนกำลังมันอ่อนลงอ่อนลงทีนี้ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้แน่ยอำนาจของความดีมีอย่างนั้น นี่เกิดมาชาตินี้ไม่ดีแล้วเกิดแก้มืออีกไม่ได้นะกรรมของเรามียังไงก็ต้องไปนี่พอเหมาะเป็นจังหวะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและพร้อมกับได้พบพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาเอกผู้สิ้นกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สิ้นกิเลส ไม่มีศาสนาใดที่เป็นผู้สิ้นกิเลสครองศาสนาสั่งสอนสัตวโลกมีศาสนา พ, พุทธพุทธนี่เท่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดขึ้นชื่อว่าพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่ใช่ศาสนาจะมีตลอดไปนะ มีเป็นวรรคเป็นตอนเช่นเวลานี้ก็พุทธศาสนาของเรายัางมีพอหมดจากนี้แล้วกว่าจะไปถึงศาสนาพระอริยเมตไตรนี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสุญญกับไม่มีคำว่าบาปว่าบุญในหัวใจสัตว์โลกทั้งทั้งที่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีอยู่ดั้งเดิมก็ตาม แต่ใจสัตว์โลกยังไม่ยอมรับสิ่งที่ยอมรับคือความอยากความทะเยอทะยานความเครียดกราดอะไรทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันไปรวมนั้นหมดให้ดูดให้ดื่มให้พออกพอใจมองเห็นหน้ากันมีแต่กัดแต่ฉีกกันทั้งนั้นถ้าเกิดเช่นนั้นแล้วเรียกว่ากรรม ผู้ที่มีกรรมหนาที่สุดจึงต้องไปเกิดในย่านนั้นก็ไม่มีที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนรู้ได้สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายทำอยู่ทุกวันทำอยู่ด้วยความดูดดื่มก็มีแต่ความชั่วช้าลามกมีแต่ฟืนแต่ไฟอันเป็นผลเผาไหม้ไม่มีส่วนดีเลยนี่ เราไม่ได้เกิดในช่วงสุญญกับเราเกิดในช่วงพุทธกับคือกับพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้จึงให้พากันขวนขวาย เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นบุญยราภของเรากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นบุญยราภอันประเสริฐนะออกจากนั้นก็กิจฉังสัตธรรมัตสวนังยังได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีกก็เป็นบุญยราภอีกอันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเรา ท่านว่ากิจโฉพุทธานมุ ป, ปาโทเพราะการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุญยาลาอันประเสริฐสุด ข, ของสัตวโลกนี่คำสอนของท่านที่เป็นองค์แทนาศาสดามีอยู่ให้ได้ยึดคำสอนของท่านนี้แลคือองค์แทนาศาสดาจะไม่ผิดพลาดให้พากันอุตสาพยายาม พอตื่นขึ้นสิ่งแรกที่คิดถึงก่อนอื่นก็คือเรื่องการช่วยโลกไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดถึงเรื่องตัวเองพระช่วยโลกไม่ได้ใครเล่าจะช่วยได้ ความเมตตาสงสารของหลวงตาที่มีต่อโลกไม่ปรากฏเพียงแค่การเทศนาหรือการอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นความเมตตาของท่านยังแผ่ขยายไปในแง่วัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉลี่ยเผื่อแผ่สงเคราะห์ช่วยเหลือแบบเงียบๆอย่ยางทั่วถึง ทั้งคนทุกคนจนคนประสบภัยตามภาคต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามหน่วยงานราชการสถานสงเคราะห์ต่างๆไปตลอดทั่วถึงแม้กระทั่งสัตว์ิการดังคำกล่าวของท่านตอนหนึ่งว่าเรามีแต่ให้แต่ให้ตลอด อำนาจความเมตตานะไม่ใช่อะไรเมตตานี้ครอบตลอดเป็นธรรมชาตินะจิตกับเมตตาเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันมันอ่อนนิ่มไปหมดไม่ได้ถือว่าสูงว่าต่ำอะไรมันไปด้วยกันพร้อมเลยนะความเมตตาสงสารนี่นะไม่ว่าจะเล่นกับสัตว์ประเภทใดความเมตตาอยู่นั้นนะไม่ใช่เล่นแบบโลกโลกเขาเล่น มันเป็นเหมือนอากาศนี่นะครอบไปหมดเลยอำนาจความเมตามันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือเหนือเรื่องความคิดจะโกรธจะเครียดจะแค้นให้ใครมันไม่มีอันนั้นมันครอบไว้เสียหมดเลยใครจะตาหนิก็ตามใครจะชมอะไรก็ตามเมตา ม, มันเหนือไปเสียทุกอย่างเกินกว่าที่จะคิดเรื่องเหล่านี้ว่างั้นเถอะนะ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องขี้หมาไปซักพูดตรงๆอย่างนี้ถ้าจะเทียบอย่างว่าพ่อแม่กับลูกนะลูกมันตัวเล็กๆมันออดมันอ้อนมันจะกัดจะควรอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่มีแต่โอ๋โอใช่ไหมละ่ะเพราะความรักความเมตตานี่แหละในขั้นของปุถุชนก็เป็นอย่างนี้ เมตตาของปุถุชนมันเหนือที่จะไปถือสีถือสากับเด็กใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็แบบเดียวกันหลวงตาให้การช่วยเหลือเป็นทานเป็นการสงเคราะห์ตลอดมาตั้งแต่ตั้งวัดป่าบ้านจาถ้าคิดมูลค่าเป็นตัวเงินน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านขึ้นไปความเมตตาในส่วนนี้ของท่านเคยกล่าวไว้ดังนี้ ไปดูที่ไหนที่ไหนเราดูจริงๆช่วยจริงๆถ้าเรายังไม่ตายแล้วเราจะช่วยตลอดไปไม่ว่าโรงพยาบาลไหนๆช่วยทั้งนั้นโรงร่มโรงเรียนก็ปลูกให้เป็นหลังๆขาดอุปกรณ์อะไรอะไรบ้างให้ให้ใ ห, ให้ไม่ว่าจะโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆเราก็ให้ ด้วยเหตุนี้เองวัตถุสิ่งของจะตุปจัจไทยทานมากน้อยหากพอเพียงกับพระเนนและความจำเป็นในวัดแล้วท่านจะหมุนออกช่วยโลกอยู่เรื่อยมาไม่มีส่วนที่สั่งสมไว้เพื่อตัวของท่านแม้แต่น้อยดังคำกล่าวของท่านกับพระเนนในวัดป่าบ้านตาดตอนหนึ่งว่า ไม่ว่าการสงเคราะห์สงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นเจ้าของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้สักนิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดตรงตรงอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเหตุนี้เองรับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรักเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะของผมเอง